เรื่องจำพรรษาที่พม่าสาเหตุที่ท่านพระอาจารย์ไปจำพรรษาที่พม่าคือหนึ่งพม่าเมื่อครั้งพุทธกาลเขาเป็นชาวโกศลพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษามากกว่าแคว้นอื่นคือวัดเชตวันมหาวิหารมีเศรษฐีผู้อุปธรรมพระพุทธศาสนาคืออนนาถบินทิกาเศรษฐี 2. ชาวพมา่าเป็นคู่รักคู่แค้นกับไทยไม่เป็นมิตรแท้ไม่เป็นศัตรูทาวรแต่ทิ้งกันไม่ได้สท่านจะคุณบุญมั่นมันตาสโยคือพระธรรมปามโมกเจ้าอาวาสวัดประทุมวานารามรู้ภาษาอังกฤษจำภาษาอยู่ที่นั่นถ้าท่านไปอยู่จะไม่ยากเรื่องภาษา ท่านพระอาจารย์เล่าว่าจำพรรษาอยู่ที่นั่นการเจริญสมณธรรมก็แค่ทรงตัวบุคคลผู้จะมาศึกษาธรรมะไม่มีการลยานามิตรกลยานธรรมก็ไม่มีดีแต่ว่าเขายังใส่บาทที่เราฉันพิจารณาถึงคุณธรรมอันสูงสุดคือผู้บร ร, าารลุอริยมรรคอริยผลทั้งประเทศในขณะนั้นคงมีตตาพระขาวที่ท่านไปอยู่จำพรรษาด้วยเท่านั้น ได้มักที่สามไม่เหมือนเมืองไทยซึ่งมีมาไม่ขาดสายจะว่างก็เป็นบางคราวไม่ช้าก็มีผู้มาฟื้นฟูขึ้นอีกเกิดจากการปฏิบัติบ้บางจุติคือตายหรือเคลื่อนจากสวรรค์มาบ้างเพราะไทยคือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่มีคุณสมบัติพร้อมดังกล่าวมาแล้วต่างประเทศ ที่ไม่อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนายิ่งห่างไกลออกไปเพราะนอกวงจรนอกแวดวงผู้เล่าเคยได้ยินท่านพูดเชิงพูดเล่นพูดจริงว่าพวกที่ไปสอนพระพุทธศาสนาให้ฝรั่งนั้นสอนให้เขาเป็นอะไรจะสอนจนได้สาเร็จมากผลนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเป็นพายุราประเทศคือหมายถึงประเทศที่อยู่นอกพระพุทธศาสนา คนไทยเราก็พอสอนได้อยู่โอกาสได้มักผลมีเพราะอยู่ในวงพระพุทธศาสนามีบารมีอันเคยอบรมสั่งสมมาแล้วท่านว่าหมายเหตุผู้อ่านถ้าเข้าใจว่าการเข้าใจอนัตตาเป็นเรื่องยากแค่ไหนและคนนอกศาสนานั้น จะมีความเชื่อฝังใจในเรื่องอัตตาเหนียวแน่นแค่ไหนก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่าการสอนให้เข้าใจอนัตตาจนปล่อยวางได้จริงเห็นจิตนี้เป็นอนัตตานั้นสำหรับคนที่ไม่เคยสะสมบา ร, รมีด้านนี้มาก่อนทำได้ยากมากแค่ไหน